เหมือนจะบดหัวใจให้เป็นแผลตอนที่สามวันนี้เรามาเริ่มกันต่อนะขึ้นหัวข้อที่สามก็คือความป่วยไข้นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาของตัวเองความป่วยไข่นอกจากจะเป็นการทำเพื่อเรียกร้องความสนใจแล้วบางที ก็ยังเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างขี้ขลาดตาขาว <c oughs> จนสุดท้ายต้องไปผ่าต่อมไทรอยก็มากมายธรรมชาติได้ลงโทษเขาเป็นการสั่งสอนอยู่แล้วเออทำไมอะ่ะฮะอันเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ย ขี้ขาตาขาวเนี่ยจนสุดท้ายต้องไปผ่าตอมไทรอยไหมครับว่าไงนะใครเข้าใจบ้างคือกลัวแก้ปัญหาเนี่ยโดยวิธีการใช้การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการหนีปัญหาเป็นการแก้ปัญหาและในที่สุดต้องไปผ่าตอมไทรอยนะใครเข้าใจความหมายเขามั้งอืม ไม่รู้เขาหมายความว่ามันกลัวมากหรือเปล่ากลัวมากจนกระทั่งหนีปัญหาเสร็จแล้วก็เลยใช้วิธีการอย่างเงี้ยมันก็เจ็บปวยเจ็บไข่ใช่ไหมเราเจ็บปวยเจไข่ป่วยไปป่วยมาก็เลยเป็นไทรอยจริงจริงเลยด้วยความกลัวทำให้กังวลยิ่งกังวลก็ยิ่งเจ็บป่วยง่ายในชีวิตประจาวันเราจะเห็นวิธีการนี้ใช้กันอยู่อย่างดาดดืน เพียงแต่เจ้าตัวก็ไม่อาจรู้ได้แม้บางทีผู้ดูถ้ายังมีตาหยาบอยู่ไม่รู้มายาของจิตก็ไม่มีวันอ่านออกสุภาษิตจีนบทหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นว่าเมื่อใจนิ่งไข้ก็หายส่วนใหญ่เพราะบ่วยกันที่จิตใจกันมาก่อนใจยังขุนมัวไม่แจ่มใสไม่เบิกบานเมื่อใจเป็นโรคเสียแล้ว จะมีภูมิต้านทานต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างไรใช่แล้ละอาจจะมาว่าอาจะมาเข้าใจถูกแล้วแหละคือให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราพอไปกระทบผัสสะใช่ไหมหรือมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็วางจิตวางใจไม่ได้พูดง่ายยิ่งไม่สมใจด้วยยิ่งผิดหวังหรือว่าเสียใจหรือว่าฮะ อะไรเสาวนี้ค่าจองเหรออา้าวแม้กำลังอธิบายอยู่นะเห็นลุกเปลี่ยนที่นั่งให้นึกว่าเสาวนี้ค่าจอง อ, อธิบายต่อนะก็เพราะว่านี่แหละพอมันกระทบภาษาเสร็จแล้วเนี่ยวางไม่ได้มั่งนะกังวลมั่งห่วงมั่งกลัวมั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกิเลสขึ้นมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วในะที่สุดคนนั้นก็ป่วย แต่จริงๆมันป่วยเนี่ยมันจิตเนี่ยมันป่วยก่อนแล้วล่ะจิตเนี่ยมันมันวางไม่ลงหรือว่าเพราะเหตุอะไรก็แล้วแต่เจรกระทั่งเรียกว่าจิตเนี่ยมันมันไปมีผลต่อร่างกายจนทําให้ร่างกายเนี่ยป่วยตรงนี้ที่เขาให้เห็นว่าพอเราป่วยใช่ไหมไม่ไม่ใช่พอเราไปกระทบภาษาอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วจิตเราเนี่ยมันเนี่ยขุ่นมัวหรือว่าจิตมัน มันไม่สงบจิตมันมีอาการที่เร่าร้อนกังวลทุกข์โหยหาอะไรอววรหรืออะไรก็แล้วแต่พอมันเกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยทันทีเลยสารสารอะไรสารสารพิษ น, ส น, นส่สารเอนโดฟินฮะสารสารเอนโดฟินนี่สารสุกเหรออ่าสารเอดเนารีนนะ สารเอธิเดอรีนเนี่ยซึ่งเป็นสารพิษเนี่ยใช่ไหมมันก็จะออกมาซึ่งพอมันออกมาเสร็จมันก็จะไปผสมกับเลือดทําให้เลือดเนี่ยมันเกิดอาการที่แข็งตัวแข็งตัวคุณค้นขึ้นแล้วมันก็จะทําให้เกิดอุดตันบ้างหรือว่าอะไรบ้างในส่วนของอวัยวะที่อาจจะเป็นจุดอ่อนของร่างกายเราแล้วคราวนี้แหละมันก็ทําให้ป่วยจริงๆจะป่วยจุดไหนก็แล้วแต่ ซึ่งมันทำให้มีอาการทางส่งผลไปถึงร่างกายจริงๆจากการที่จิตเราเป็นนี่แหละและในมุมกลับกันถ้าจิตเราดีใช่ไหมแล้วก็เกิดหลังสารสุขออกมาเนี่ยซึ่งเป็นสารเอนโดฟินเหรอเนี่หลังสารสุขออกมาซึ่งก็ทำให้เลือดเราเนี่ยหรือว่ากระเพาะเรานะหรือว่าร่างกายที่มันได้รับสารนี้เข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นทาให้มัน เดินได้คล่องเดินได้สะดวกหรือทําให้กลายเป็นเหมือนกับไปซ่อมแซมไปช่วยเหลืออวัยวะต่างๆให้ดีขึ้นทํางานดีขึ้นซะอีกนี่นเนี่ยมุมตรงข้ามเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยมันเป็นตัวการสําคัญตัวหนึ่งที่ทําให้เราจะป่วยก็ได้แล้วยิ่งใครป่วยอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จิตยังเสียอยู่คราวนี้นะเมื่อป่วยแล้วนะคราวนี้จะป่วยเพราะอะไรก็แล้วแต่และ พอป่วยแล้วแล้วจิตเราก็เสียด้วยจิตเราไม่ดีเพราะฉะนั้นคนนั้นก็ยิ่งมีสารพิษเนี่ยเพิ่มอยู่เรื่อยเพิ่มอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นคนนั้นมีแต่จะป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆต่อให้ทุกวันนี้เป็นโรคเอชก็ตามนะเพราะยิ่งโรคเอชเนี่ยจริงๆจะยิ่งเห็นได้ชัดเพราะว่ามันเป็นโรคภูมิอ่อนแอใช่ไหมภูมิคุ้มกันอ่อนแอเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยคนเป็นโรคเอชแล้วเนี่ยจิตไม่เสียถ้าจิตยังดีอยู่แล้วยิ่งพยายาม ยิ่งมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมหรือมามีความสุขอยู่กับการที่ทำบุญทำกุศลอะไรให้เพิ่มมากขึ้นแล้วกเกิดปิติขึ้นมาในจิตอาตมาเชื่อเลยว่าคนนั้นจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแม้ว่าเอ็ดเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้จะหายารักษาไม่ได้ก็ตามแต่อาตมาว่าคนนั้นจะดูอาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม นะเพราะว่าสารสุกมันก็จะออกมาเหมือนกันนะผู้มีจิตใจเบิกบานเจื่ใสเห็นไหมจึงมักเป็นผู้ที่เจ็บป่วยได้ไข้น้อยมากบรรยากาศรอบๆตัวล้วนเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่เนื่องจากเรามีภูมิต้านทานจึงไม่เป็นอะไรกันมากถ้าหากจิตป่วยนอกจากจะเป็นโอกาสให้เชื้อโรคกำแหงริดขึ้นมาได้แล้ว จิตตัวเองนั้นยังพิเรนไปสร้างความป่วยให้แก่ตัวเองซ้ำซ้อนเข้าไปอีกอาการชนิดนี้แหละเขาเรียกว่าพวกฮิสทีเรียใช่เหรอนี่พยาบาะละโอ้ใช่ใช่มั้งเหร <c oughs> ออันนี้ก็ไม่รู้แหละอันนี้เขาบอกว่าเนี่ย ยิ่งสร้างความซ้ําซ้อนให้ตัวเองพิเลนหนักเข้าไปอีกนะั้นซึ่งเรียกว่าเป็นโรคฮิสติเดียอาการออกก็มีบอกอาการของฮิสทีเดียจึงไม่ใช่ความร่านราคะดังที่พูดเล่นกันเพียงอย่างเดียวเพราะโดยแท้จริงมันก็คืออาการของจิตที่แกล้งตัวเองให้ป่วยขึ้นมาในยามที่ตัวเองเจอปัญหาชีวิตอะไรก็ได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ จากการอดกินขนมหม้อแกงชิ้นเดียวไปจนกระทั่งอดได้เงินร้านซึ่งทานโรคเขาวิเคราะห์กันแบบหยาบๆแต่เราจะเจาะให้ละเอียดมากกว่านั้นเพื่อประโยชน์แห่งการเรียนรู้ยิ่งๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเริ่มมาจากจุดเล็กๆ ก, ก่อนทั้งนั้นเพราะอันนี้เนี่ยผู้เขียนซิเนรุนี่เขากำลังจะ ชี้แจงให้เราฟังว่าคนที่จะมีอาการโรคที่ป่วยหนักถึงขั้นร้ายแรงนะถึงขั้นร้ายแรงหรือว่าถึงขั้นมีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆคนนี้เป็นเลยเพรา ะ, ะนนคนนี้เป็นมาจากการที่เขาเนี่ยเริ่มเป็นมาจากเล็กจากน้อยแล้วเขาสั่งสมมาเหมือนกับคนจะเป็นผู้พระเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นปุ๊บชาตินี้เป็นผู้เจ้าเลยไม่ใช่ แต่กว่าจะมาเป็นผู้เจ้าเนี่ยซึ่งเราศึกษาก็มาเราจะรู้ว่าโอ้โหไม่รู้ตั้งกี่ร้อยชาติแนะต้องสั่งสมมาสั่งสมมาจนกระทั่งมาได้ชาสุดท้ายที่เป็นเจ้าชายศิทธะถึงได้มาเป็นผู้เจ้ามันเหมือนกันจะโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีดเราจะมาเป็นโรคเจ็บหนักเลยไม่ใช่อยู่ดีดคนจะมาเป็นโรคเอดไม่ใช่อยู่ดีดคนจะมาเป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้น ที่เขาจะมาเป็นโรคเอดสหรือว่าเขาจะมาเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอื่นอีกที่มันหนักหนักก็ตามเขาจะต้องสั่งสมวิบากกรรมมาก่อนแล้วที่ทําให้ชาตินี้เขาเกิดมาแล้วเขาต้องมารับไอ้โรคร้ายแรงอย่างเงี้ยเขาจะต้องมาเป็นโรคร้ายแรงอย่างนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องละเอียดขึ้นไปอีกถึงวิบากกรรมถึงเรื่องจิตปิญญาณแล้วพระเจ้าท่านก็ตัดเอาไว้ด้วยว่าคนเราเจ็บป่วยเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลเลย มันมาจากเหตุของบิบากกรรมที่ตัวเองเไปทำเอาไว้จะในแง่ไหนอะ่ะในมุมไหนอะ่ะเรื่องไหนลหละยิ่งถ้าเราเข้าใจว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับจิตใจด้วยก็ยิ่งชัดวิใหญ่เลยว่าโอ้โหใครไปสั่งสมบิบากกรรมทางจิตใจไว้ยังไงดู้าจริงๆถ้าสมมติว่าคนเราป่วยใช่ไหมแล้วก็ต้องตายไปอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้สมมุติเอาเอาเคยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยแล้วก็ตายไปจิตวิญญาณเขาเป็นมะเร็งด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณเขาไม่จะเป็นมะเร็งใช่ไหมอ่าเพราะร่างกายตายไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณเขาก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่เสร็จเขาก็ต้องไม่เป็นมะเร็งอีกถูกไหมถ้าจิตวิญญาณเขาไม่เป็นมะเร็งอ่าร่างกายเป็นเฉยแต่ปรากฏว่าถ้าคนเนี้ยไปสั่งสมบิบากกรรมเอาไว้ที่จิตใจเขาเนี่ย ใจิตใจที่ไม่ดีเนี่ยนะวัพอคนนี้ไปได้ร่างใหม่เดี๋ยวใจิตใจที่ไม่ดีของเขาที่เขายังมีอยู่มีเชื้อเดิมอยู่ของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เป็นมะเร็งอีกเพราะใจิตใจที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่างที่บอกเดี๋ยวมันก็ต้องหลังสารพิษออกมาใช่ไหมไอสารพิษนี่มันต้องไปทําให้ อ, อวัยวะส่วนนั่นส่วนนี้เสียแล้วเขาก็ต้องมาเป็นมะเร็งอีกถ้าสมมุติว่าใจิตใจของเขาเนี่ยเขายังไม่ได้ละ ล้างลดเลิกในสิ่งที่เป็นพิษพิษเป็นสารพิษเป็นมลพิษอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นั่วเป็นภัยเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าคนที่เจ็บป่วยบ่อยๆเจ็บป่วยหนักเจ็บป่วยมา ก, มากๆเนี่ยนะท่านก็พูดเป็นลูปปรรมว่ามาจากผู้ที่เนี่ยชอบเบียดเบียนผู้อื่นนะชอบทำร้ายผู้อื่น หรือว่าชอบฆ่าผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะผู้เนี้ยเทามาเกิดแล้วเนี่ยก็จะมามีวิบากกรรมคือเจ็บป่วยได้ไข้บ่อยๆหรือเจ็บป่วยได้ไข้หนักซึ่งให้เห็นมาจริงๆนะเห็นไหมว่มาผู้ที่ชอบไปเบียดเบี้ยมผู้อื่นเนี่ยก็คือผู้ที่สั่งสมจิตวิญญาณหรือจิตใจที่มีลักษณะที่รุนแรงแลักษณะที่ทําเลวทําร้ายเพราะจิตใจอ ย, อย่างนี้เนี่ยมันต้องหลังสาร แอดิเรนอยู่เรื่อยๆคนระับวันเดี๋ยวเขาก็ต้องมีโลกภัยมีอะไรของเขาเนะี <c> ่ะ <oughs> จนได้แหละเพราะว่าต้องมันต้องใช้กรรมอยู่แล้วไม่มีใครหนีพ้ห น, นหนี้กรรมไปได้อาตอนนี้เขายกตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นบางรายพอมีเรื่องทะเลาะ ก, กับใครเป็นต้องดิน้นลงไปชักชักถึงขนาดเป็นลมบ้าหมูก็เป็นได้ บางคนพอเสียใจอย่างรุนแรงเช่นพ่อแม่ตายหรือไม่ก็อกหักทำเอานอนสมบนเตียงเป็นนานบางรายก็บ้าเลยนี่แหละอาการของพวกโรคฮิสทีเรียบางรายได้ยินเขาพูดเรื่องของตนเองในทางลบก็นอนไม่หลับหน้าตาเศร้าหมองป่วยระทมไปหลายวันนี่ก็ยังอ่อนยังกลาง ก็อาจด่ากลับอย่างหนักก็ขนาดถือปืนสักกระบอกเดินไปบ้านเจ้าตัวเลยอย่างอ่อนนี่ยังไงนะอย่างอ่อนนอนไม่หลับใช่ไหมอย่างกลางนี่ก็ด่ากลับยังย่งหนักก็โอ้โหไปทํำลายเขาอีกแล้วเพราะฉะนั้นอาการที่เขาบอกมาเนี่ยที่เขายกตัวอย่างมาเนี่นะอย่างกลางอย่างอย่างอ่อนอย่างกลางแล้วก็อย่างหนักนี่ มันคือสภาพของจิตใจคนนั้นทั้งนั้นใช่ไหมจิตใจของคนที่โดนด่าแล้วไม่เถียงกลับไปนะแต่ว่าก็เศร้าทุกข์อยู่เสียใจอยู่ว่าทําไมมาด่าฉันทาไมมาด่าฉันแต่ไม่ได้ไปโต้ตอบเขานะี่าไม่ได้ไปโต้ตอบเขามันะจิตใจคนนี้ดีพอสมควรหละถึงได้ไม่ไปสู้กับเขาไม่ไปทะเลาะไม่ไปเถียงอะไรกับเขา เพรให้เห็นว่าจิตใจคนนี้ดีพอควรเมื่อจิตใจคนนี้ดีพอสมควรเนี่ยนะไอสารพิษที่จะมันมันจะออกมาจากการที่จิตใจจะคิดไม่ดีเนี่ยมันก็น้อยใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วจิตใจเขาค่อนข้างดีแล้วเขาควบคุมค่อนข้างได้แล้วจิตใจเขาก็ควบคุมค่อนข้างได้แล้วถึงได้ไม่ไปทําเลวทําร้ายไปด่ากลับแต่พอใครไม่เก่งนะมันได้แค่ระดับกลางก็คือว่า ไม่ไหวหรอกด่าฉันอย่างนี้ฉันทนไม่ได้ฉันต้องขอด่าคืนบ้างแสดงว่าจิตใจยแย่ลงเพราะฉะนั้นคนที่จิตใจยแย่ลงเนี่ยก็เท่ากับว่าจะต้องสังสมพิษ ภ, ภัยของทางจิตเนี่ยมากขึ้นเพราะเมื่อพิษภัยของทางจิตมากขึ้นเนี่ยอาการก็ต้องหนักขึ้นก็ถูกแล้วแน่นอนเลยใช่ไหมยิ่งคนอาการหนักถึงขั้นแบกปืนไปยิงเขา่างนี้ยิ่งชัดเจนเลยว่าโอ้โหไอสารพิษที่มัน ออกมาจากจิตใจนี่นะมันถึงขั้นทําร้ายจิตใจให้ให้อะไรโมหะให้มันหลงให้มันกล้าที่จะไปทาเลวทําร้ายคนอื่นเขาก็ได้ถึงกับฆ่าแกงคนอื่นเขาก็ได้เพราะเราจะให้เห็นเลยนะว่าเนี่ยเออไอ้โลกอย่างนี้ก็มีนะบางรายแสดงทําให้เขาฟังพอเขาไม่รับก็พานไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากพูดจาเอ็นนิวาภาเอิบบ่า ตัวอย่างนี่บ้าพระหรือเปล่าเ <c oughs> ก็บอกว่าบางรายแสดงทำให้เขาฟัง <c oughs> พอเขาไม่รับก็พานไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากพูดจา <c oughs> ออโยมก็แสดงทำได้เหมือนกันนะ <c oughs> บางรายแม่ไม่ยอมให้ไปเที่ยวป่วยหนักทันทีซึ่งก็เป็นจริงเสียด้วยแถมยังโมโหเสอีก อันนี้เป็นตัวอย่างต่างๆนะที่เขายกอาการของจิตขึ้นมาให้เห็นโรคพวกนี้จึงเป็นกันได้ทุกคนแล้วแต่มากหรือน้อยมากหรือน้อยกว่ากันจิตใจของผู้ใด ย, ยังทุก์ยังถือสาอยู่นั่นแหละใช่ใช่แหละฮิสท e เลียขั้นเบา ะ, บะก็คือความหมองระทมของใบหน้านะ ผู้ที่เป็นโรคนี้จึงมักเจ็บป่วยง่ายเป็นคนขี้ตกใจวาดกลัวหรือมีความวิตกกังวลได้ง่ายนะอย่างที่อาตม า, ายกตัวอย่างหรือว่าอธิบายไปเลยซ้อนซ้อนตัวอย่างของเขาแล้วนะที่จะให้เห็นว่าอันนี้เขาบอกว่าผู้ที่เป็นโรคนะโรคฮิสทิเรียเนี่ยจึงมักเจ็บป่วยง่ายเป็นคนขี้ตกใจซึ่งอาตมาบอกแล้วว่า ว่าถ้าสมมุติจิตเขาไม่ดีเนี่ยนะจริงๆไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าลองจิตเขาไม่ดีแล้วเนี่ยอาการของโรคอาการของความเจ็บป่วยมันจะมากไปตามที่จิตเขาไม่ดีนั่นแหละแล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ให้ท่องแท้อีกด้วยนะว่าไอ้จิตไม่ดีดีบางคนอาจจะเข้าใจไม่ อะไรอ่ะไม่ถูกก็ได้อย่างเช่นบางคนบอกว่าโอ้โหไอ้คนนั้นมันเลวจังเลยมันเป็นโจรเป็นคนฆ่าฆ่าคนข่มขืนคนอะไรคนอย่างเงี้ยนะบอกโอ้โหนี่จริงๆมันเขี่ยมนะมันเลวมากเลยจิตร้ายมากเลยแต่ไม่เห็นมันเจ็บป่วยอ่ะไล่เห็นมันเจ็บป่วยนะอาจารยาบอกนั่น น, น่น่นะแสดงว่ายังไม่เข้าใจคือคิดแต่ไอ้เจ็บป่วยทางร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่จริงๆแล้วมันไอคนที่มันเป็นถึงขนาดนั้นน่ะมันมันมันแย่ยิ่งไปนะนั่นมันป่วยหนักเลยคือจิตมันป่วยหนักเลยจิตมันป่วยหนักจนกระทั่งมันโมหะมันหลงแหละจนกรทั่งโหจะฆ่าแกงจะอะไรใครนี่ได้อย่างนไงแหละนั่นแหละเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดเลยโรคที่จะไปถึงขั้นเบียดเบียนไปฆ่าแกงไปทําร้ายคนอื่นเขาโรคร้ายเลยนะหนักกว่าโรคเอดส์อีกนะไอคนนั้นไอคนที่เป็นเนี่ยมันร้ายหนักกว่าโรคเอดอีก เพราะอะไรก็เพราะไอจิตวิญญาณเลวอย่างนี้แหละที่มันมันจะส่งผลไปเป็นวิบากกรรมที่จะทําให้คนนั้นเนี่ยยิ่งจะต้องเจอโรคหนักหนักหนักหนักขึ้นไปอีกไม่รู้แหละจะเรียกว่าเอจะเรียกว่ามะเรง็งจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> นะส่วนคนที่สมมุติว่าชาตินี้เกิดมาเป็นโรคเออย่เงี้ยเกิดมาติดเอทั้งทั้งที่บางทีไม่ได้ไปเทีย่ยวผู้หญิงไม่ได้แปลอะไรเลยนะ สวยจริงๆนะเกิดไม่รู้แหละอุบิเหตอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไปติดเชื้อเอชมาเอาละหรือว่าเอางี้ดีกว่าหรือว่าเด็กอะ่ะเด็กที่คลอดจากท้องแม่เงี้ยใช่ไหมโดยที่เด็กยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยอะ่ะถูกไหมมีแต่พ่อกับแม่เท่านั้นเองใช่ไหมที่ไปทำให้ลูกที่คลอดออกมาแล้วติดเอช ติดโรคเออเด็กเด็กเด็กทารกอ้าวแล้วอันนี้จะเอาอะไรมาพูดล่ะก็จิตของเด็กมันยังอยู่ในท้องแม่มันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยซ้ำใช่ไหมถ้าอย่างนี้ถูกหรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วพอคลอดปุ๊บออกมาก็ติดเอทออกมาด้วยเห็นไหมล่ะอาตมาถึงบอกว่าเห็นไหมถ้าใครเข้าใจเรื่องของวิบากกรรม เขจะรู้เลยบอกโอ้โหมันไม่ใช่แค่เรื่องชาตินี่นะไอเรื่องจิตใจที่มันเลวจิตใจที่มันร้ายเนี่ยมันให้เห็นเลยว่าคนเนี้ยทามาแล้วอย่างที่อาตมาบอกว่าไอคนเนี้ยมันร้ายอย่างเงี้ามันฆ่าคนมันข่มขืนคนมันทําลายคนอะไรต่างนานานะไอคนนี้แหละมันอาจจะต้องไปเกิดอยู่ในท้องท้องใครก็แล้วแต่นะ เสร็จแล้วก็มันเป็นเอชมาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยแหละมันจะต้องติดเชื้อเอชตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาเลยซึ่งอันนั้นแหละก็จะได้รู้ว่าโอ้โหเนี่ยเป็นผลวิปากกรรมที่ไปทําเลวทําร้ายจนจิตวิญญาณเนี่ยมันมันร้ายมากๆจิตจิตวิญญาณมันเลวมากๆจนมันต้องติดเชื้อออกมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเพราะมันมันติดเนี่ยจริงๆมันติดตั้งแต่ตอนตอนเป็นจิตวิญญาณนั่นแหละจิตวิญญาณนั่นแหละนะจิตวิญญาณมันเป็นเอชมาตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนทำเลวทำร้ า, ายแล้วส่วนไอ้ผลที่มันออกมาเป็นรูปธรรมให้เห็นเป็นตัวเชื้อโรคเอทเป็นเชื้อโรคมะเร็งไอ้นั่นอ่ะมันเป็นเป็นรูปธรรมที่จะมามารองรับให้เห็นชัดๆของอาการแต่คนไหนก็ตามถ้าลองไปเลวในจิตแล้วเดี๋ยวต้องมาใช้นี่เดี๋ยวต้องมาใช้นี่ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะพอถึงเวลาที่ใช้นี่เราถึงจะเห็นเห็นดอกเห็นผลออกมา แต่ไอตอนที่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องใช้นี่ใช่ไหมจะบอกว่าคนนั้นไม่มีนี่ได้ไหมไม่ได้คนนั้นมันมีนี่อยู่แล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาใช้นี่เท่านั้นเองเหมือนกับเราเราไปยืมเงินใครเข้ามาสมมุติว่ายืมเข้ามาสองล้านเนะี่ยเอานักหนักนะหน่ยนะหนักหนักภาษาเราสองล้านแล้วยังไม่ได้ใช้เขานะไอช่วงที่ยังไม่ใช้เขาเนี่ยติดนี้อยู่ป่ะติดนี่อยู่ แต่ว่าผลมันยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ถึงวันที่ต้องไปใช้่ชไหมอ่านี่แหละเหมือนกันวันถ้าพวกเรารู้พวกเราเข้าใจเนี่ยเรื่องโอโหจิตวิญญาณ น, นี่เราอย่าไปทำเร็วอย่าไปทำ้ายใครไม่อยากจะต้องมาใช้นี่เจ็บป่วยอย่างนั้นนะต้องเป็นโรคโน้มโรคนี้อย่าไปทำให้จิตวิญญาณเร็วอย่าไปทำให้จิตวิญญาณเสียคนที่จะเป็นโรคน้อยได้เนี่ยเบาบางจากโรคได้ ก็คือคนที่อย่าไปสั่งสมจิตวิ ญ, ญญาณตัวเองให้เลวหรือว่าให้เสียโดยเฉพาะเรื่องที่รุนแรงเรื่องที่ไปเบียดเบียนเรื่องที่ไปทำร้ายคนอื่นเขานั่นแหละถ้าจิตวิ ญ, ญญาณอย่างนี้ไม่เสียแล้วคนนั้นแหละจะโรคน้อยอ่าเสร็จแล้วอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างอีกนะว่าผู้ที่เป็นโรคนี้มักเจ็บป่วยง่ายเนี่ยเป็นคนขี้ตกใจหวาดกลัว หรือหรมีความวิตกกังวลได้ง่ายตัวอย่างเช่นจะทํางานก็กลัวผิดกลัวเขาว่าจะกินก็กลัวเขามองจะใส่ก็กลัวหาว่าเชยจะไม่แต่งงานเดี๋ยวก็หาว่าเราทึมทึกจะอยู่สมถะก็กลัวเขาว่าจนจะอยู่ก็กลัวเขาจะเพ่งโทษกลัวเขาคิดร้ายกลัวเขาใส่ร้ายกลัวเขาจับผิด แล้วก็อื่นๆ อ, อีกเยอะแยะนะมันกลัวไปหมดทุกอย่างชีวิตจะสงบสุขได้อย่างไรชีวิตของพวกนี้จึงเป็นชีวิตที่น่าสงสารที่สุดเพราะหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยน้ำตาตลอดเวลาการแก้ปัญหาชีวิตแบบนี้จึงนับเป็นพิษภัยแห่งชีวิตที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งเพราะเป็นการวิ่งหนีความจริง ไม่ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงพยายามที่จะฝืนสภาพที่เป็นจริงอยู่เสมอแทนที่จะใช้เหตุผลเข้าตัดสินพิจารณาไตร่ตรองกับใช้อารมณ์ของตัวเองเข้าแก้ปัญหาลองคิดดูคนที่ใช้อารมณ์เข้าแก้ปัญหามันจะแก้ดีได้อย่างไรจริงหรือเปล่าฮะคนที่ใช้อารมณ์เข้าแก้ปัญหามันจะดีได้ยังไง เอากันมาเห็นบางคนโอ้โหโกรธด่าด่าไปโอ้คนอื่นเขายอมแพ้มันกันนะเฮ้เะอะไรนะเขายอมแพ้แบบไม่สะอาดเขายอมไม่จริงเหรอ <laughs> ไม่ใช่มันไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเลยเพราะอะไรเพราะปัญหาจริงๆมันไม่จะอยู่ที่คนอื่นปัญหามันอยู่ที่ใจเรา <laughs> ฟังให้ดี<ร>าการที่เราใช้อารมณ์เนี่ยโกรธอัตมาบอกแล้วใครที่ใช้ความรุนแรงใช่อารมณ์โกรธแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นยิ่งเอาชนะคนอื่นเอาตามอารมณ์ตัวเองเนี่ยนะ เอาชนะคนอื่นไม่ได้มีเหตุผลหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นความถูกต้องอะไรอย่างนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นคนนี้ยิ่งใช้อย่างนี้เนะี่ยคนนี้ขาดทุนตลอดเวลาอยู่แล้วต่อให้ชนะเขาด้วยต่อให้ชนะเขาด้วยแตจ่จิตใจคนนี้สั่งสมอะไรนะสั่งสมความโกรธ ส, ส, สั่งสมความเกลียดสั่งสมความเจ็บใจสั่งสมความแค้นสั่งสมอะไรโอ้นี่ก็ขาดทุนอยู่แล้วละ่ะก็บอกได้วเ่ยสั่งสมวิบากอย่างนี้แหละเดี๋ยฮะ ไม่เจอมาเร็งก็เจอเอดไม่เจอเอดก็เจออะไรกันอ๋อเจอเอดก็เจอมาเรงกลับ ม, มาใหม่นะเนี่ยให้เราเข้าใจนะเพราะฉะนั <c ười> ้นชีวิตที่แท้จริงนั้นจึงต้องกล้าที่จะเผชิญกับความทุกข์รู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วตั้งใจยังหาสาเหตุที่แท้จริงว่าสิ่งที่เป็นต้นเหตุใ ห, ให้เกิดตัวทุกนั้นคืออะไรกันแน่ อย่ากลบเกลือนหรืออย่าหนีมันเพราะในความขนคืนรสหวานได้นั่งรออยู่ได้นั่งรออยู่แล้วตรงใจกลางก็ใช้สำนวนพ่อเพราะนะคือคือปลอบใจนะคือเขาพยายามที่จะให้กำลังใจว่าเวลาเราเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรเนี่ย อย่าดนีปัญหาอย่ากลัวปัญหาพยายามกล้าสู้ปัญหานะแล้วคนที่กล้าสู้ปัญหาเนี่ยแหละคือคนที่ความหวานเนี่ยกำลังรอคอยเราอยู่ใช้ภาษา ง, ง่ายๆความหวานเนี่ยกำลังรอคอยเราอยู่ถ้าเรายิ่งทำสาเร็จนะเราก็จะยิ่งได้รับรสหวานมากขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าเป็นสัมนวนอย่างอย่างที่เราได้ยินกัน บ, บ่อยๆก็ เหมือนกับกินอ้อยอ่ะท่านจัทนท่านเอามาพูดบ่อยว่ากินจากกินจากกินจากไหนตตั้งไหนหวานกับกันนะโคนหวานกว่ามัานกินจากไหนกินจากปลาย น, านันน่นนั่นนั่นนั่นชัจะมือแล้วนะ <c oughs> บอกว่าเหมือนกับกินอ้อยเนี่ย เขากินจากไหนไปถึงไหนมันก็เลยถามว่าจากปลายกับจากโคนเนี่ยอันไหนหวานกับกันอ่าเขาก็กินจากปลายไปหาโคนเพราะากินจากที่มันไม่หวานใช่ไหกินไปหาที่ที่มันหวานเพราะเหมือนกันดารที่คนเราเจออุปสรรคเจอปัญหาแล้วคนเราต่อสู้เนี่ยจริงๆตอนแรกๆมันก็ลําบากกัแหละแต่พอเราเริ่มสู้เราตั้งใจสู้เราพยายามสู้ จริงๆต่อให้แพ้ด้วยนะแตมาจะบอกให้ฟังต่อให้เราแพ้ด้วยเราไม่ชนะเลยแต่เชื่อไหมว่าเราได้รับรสหวานอยู่ตลอดเวลาเลยฟังดูให้ดีนะเอ๊ะแพ้แล้วมันไปหวานได้ยังไงแพ้มันไม่น่าจะหวานใช่ไหมมันน่าจะขมแต่ความเป็นจริงคือคนที่มีใจที่สู้อยู่คนที่มีใจพยายามอยู่นะ ใจที่มีลักษณะอย่างเงี้ยใจที่สู้อยู่ใจที่เอาจริงอยู่ใจที่พยายามที่จะทําให้สําเร็จอยู่เนี่ยใจอย่างนี้แหละคือใจที่มีรสหวานอยู่ฟังดูให้ดีเพราะถ้าใครเนี่ยนะมีใจอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะแพ้สักร้อยครั้งไม่ว่าจะแพ้สักพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งหรือว่าล้านครั้งก็ตามแต่ ใครที่มีใจสู้อยู่เรื่อยอย่างเงี้ยมีกําลังใจที่จะพยายามอยู่ตลอดเวลาอาตมาเคยพูดให้ฟังบ่อยว่าคนที่มีใจอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือคนที่ไม่ไม่มีวันมาแพ้เพราะเขเมื่อเขาเขาสมมติเขาโดนโชกลม้มหลนแล้วเขาพยายามลุกขึ้นมาพยายามลุกขึ้นมาอยู่เรื่อยนั่แล้วมันจะแพ้ได้ยังไงล่ะคนอย่างนี้มันมันไม่มี แพ้อยู่ในใจโดยซ้ําไปใช่ไหมเออมันไม่มีคําว่าแพ้อยู่ในใจโดยซ้ําไปสําหรับคนนี้เพราะว่าเขามีความพยายามที่จะสู้อยู่เรื่อยอยู่อยู่เรื่อยตลอดเวลาเพราะในที่สุดแล้วคนเนี้จริงจริงเราจะต้องชนะด้วยในที่สุดเพียงแต่ว่าใจที่เขาชนะแล้วเนี่ยคนที่สู้อยู่เนี่ยนะคือใจชนะแล้วเข้าใจไหม ไม่รู้ฟังนี้เข้าใจไหมอัลมาบอกว่าคนที่มีความพยายามต่อสู้อยู่ตลอดเวลาคนนั้นน่ะไม่มีคาว่าแพ้อยู่ในหัวใจอยู่แล้วจริงๆคนนั้นน่ะมีแต่ชนะอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถึงเวลาไหนลหละที่มันจะผลดอกออกผลหรือว่าให้ความสำเร็จมาเขาอาจจะต้องสู้ถึงร้อยครั้งนะผลผลของความสำเร็จที่ที่เป็นรูปธรรมออกมาเห็นว่าชนะ มันถึงจะโผลออกมาเป็นรู ป, ปรธรรมหรือว่าเขาอาจจะต้องสู้ถึงพันครั้งผลที่เป็นตัวชนะนะเป็นรู ป, ปรธรรมออกมาเออถึงจะออกมาเป็นรูปแต่จริงๆอใจคนนั้นนะ่ะใจคนนั้นชนะอยู่ตลอดเวลาเพราะคนที่มีกําลังใจและคนที่เพียรสู้เพียรปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาคนนั้นน่ะจริงๆคือคนที่ชนะใจตัวเองอยู่แล้วคือคนที่มีความชนะอยู่ อยู่ตลอดเวลาอยู่ในหัวใจเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นผลเป็นรูปธรรมออกมาให้เห็นจนกว่าเราจมาบอกแล้ววิบากกรรมที่คนที่สะสมว่าเอาชนะเอาชนะเอาชนะให้ได้นะซึ่งจริงๆเขาชนะใจเขาอยู่แล้วนะซึ่งมันบารมีพอเมื่อไหร่นั่นแหละมันก็จะออกมาเป็นรูปธรรมให้เห็นเมื่อนั้น